ขอถวายพระพรบุคคลไม่อาจทําการนับลูกคลื่นในมหาสมุทรได้ว่าในมหาสมุทรนั้นมีลูกคลื่นอยู่เท่านั้นเท่านี้ฉันใดขอถวายพระพรการบวชมีคุณมากมายมีคุณล้าอย่างมีคุณหาประมาณไม่ได้บุคคลไม่อาจทําการนับคุณของการบวชได้ฉันนั้นเหมือนกันนะนะถ้าเทียบคารวะธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะวันอุโบสถ กับวันไม่อุโบสถอันไนหกุศลจิตเกิดมากกว่กันว น, นี้สิบแปดนะถ้าเพิ่มกับแปอีกจะขนาดไหนใช่ไหมถ้าถ้านุ่งเหลืองห่มเหลืองไปอีกมันจะขนาดไหนวันนี้ฉันใดก็ดีอันนี้เราพูด เ, เราเราเอาคนดีเป็นประมาณนะไม่เอาปรับเอาอะไรนะคาราวะาในคราบนักบวชหรืออะไรเป็นต้นนะไม่ได้พูดแบบนั้นนะบนรรปะชิตก็บรนประชิตแท้คาราวาะก็คาราวาะแท้นะเอาเอาแท้ทั้งสองฝ่ายนะไอแบบครึ่งครึ่งคารวะครึ่งครึ่ ง, งพระอันนี้ไม่เอาไม่ไม่พูดถึงตรงนั้น พูดถึงการบวชเนี่ยนะบอกว่ากุศลจิตแต่แต่ละวันแต่ละวันอย่างเช่นเรานั่งอยู่ที่บ้านนั่งฟังเรื่องราวทั่วๆไปกับนั่งอยู่ที่วัดโดยวิธีจิตความคิดอะไรกุศลจิตเกิดไปวกันอยู่อย่างนี้ถามว่าในขณะที่ศึกษาเรียนรู้พระธรรมกุศลจิตอย่างนี้เกิดได้บ่อยเยอะคาว่าการบวชเนี่ยนะที่บอกว่ามีคุณมากเหมือนคลื่นหมายาว่าท่านคิดให้เป็นกุศลได้เหมือนคลื่น วิถีจิตเนี่ยแต่ละอวชนะเนี่ยห่างกันเยอะไหมอวชนะหนึ่งไปสู่อวัชนะหนึ่งเนี่ยห่างกันเยอะไหมห่างกันไม่เยอะเพราะนั้นแต่ละอวัชนะก็เหมือนกับคลื่นแต่ละลูกอวัชนะที่เป็นกุศลของท่านเนี่ยระลอกแล้วระลอกเล่าระลอกแล้วระลอกเล่าลูกแล้วลูกเล่าเป็นได้ทั้งวันเนี่ยนะเป็นกุศลจิตได้ทั้งวันเพานั้นคนที่อย่างคนที่เจริญงอกงามในพระศาสนาเนี่ยกุศลจิตท่านเกิดเยอะมากเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอาจจะเกินสิบชั่วโมงเนี่ยนะเกินสิบชั่วโมง แต่ถ้าหากว่าน้อยกว่านั้นมันก็ครึ่งครึ่งคารวาสครึ่งโยมแล้วแสดงว่าอนาคตแนวโน้มก็จะเป็นโยมพันก็ดูว่าถ้าหากว่าท่านมีวิสัยที่จะเป็นพระพิสุต่อไปในอนาคตท่านต้องอยู่ด้วยกุศลจํานวนมากกุศลเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงพั้นกุศลแจิตที่หลังไหลสืบเนื่องเป็นไปอย่างบ่อยๆเนี่ยยวัว่ากุศลละล้านคืออะไร กุศลเหล่านั้นเช่นกับเคลื่นใช่ไหมกุศลจิตของพระพิสุทที่บวชแล้วคิดตามคําสอนปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยมันเกิดมากเหมือนคลื่อนจริงๆ <S <S เพราะชั่วลัดนิ้วหนึ่งจิตเกิดดับตั้งเยอะใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าท่านเจริญทั้งวันนะเจริญได้วันเป็นสิบสิชั่วโมงหรือท่านเจริญอย่างเงี้ยท่านบอกเอเวนไว้แต่ละอย่างเช่นในเมตตาสูตรใช่ไหมและกุลบดผู้เจริญเมตตานะั้นนะ ยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พิงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรหมิหารในธรรมวินัยของพระริยเจ้าท่านก็เจริญเมตตาเนี่ยเวน้นแต่ละแสดงว่าว่างจากเมตตาค่อนเจริญวิปัสสนาก็พอเจริญวิปัสสนาฟุ้งไปนิดหนึ่งก็เจริญเมตตาตอ ท่านก็อยู่อย่างนี้ตลอดเพราะในเมตตาสูตรอีกก็ก็เจริญไว้เว้นไว้แต่ลักในหลายแห่งท่านบอกว่าศึกษาในกุศลธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทในกุศลธรรมทั้งหลายเนั้นกุศลธรรมท่านเกิดประดุดคลื่นอ่างนั้นนะเกิดประดุดคลื่นถ้ากุศลธรรมเหล่านั้นไม่เกิดมากขนาดนั้นควรไหมที่จะบริโภคปัจจัยสีของ บุคคลอื่นก็ไม่เหมาะสมก็ไม่สมควรที่จะบริโภคปัจจัยสี่ของบุคคลอื่นอย่างที่เขาพระพุทธเจ้าสอนอุบาสกอุบาสิกานะหมู่บ้านแห่งหนึ่งว่าคนที่สมควรจะเป็นนาบุญเนี่ยนะเป็นคนที่อยู่ใกล้ต่อราคะหรือว่าห่างไกลาจากราคะถ้าใกล้ราคะมันก็ไม่ต่างอะไรจากพวกเราทําไมเราต้องไปให้ท่านใช่ไหมอันดับที่หนึ่งอย่างที่สองท่านอยู่ใกล้โทสะหรือว่าอยู่ห่างไกล โทสะถ้าอยู่ในเรื่องราวที่มันใกล้โทสะก็จะต่างอะไรจากพวกเราท่านอยู่ใกล้ตอ่อโมหะหรือว่าอยู่ไกลต่อโมหะถ้าท่านอยู่ใกล้อารมณ์เป็นที่ตั้ ง, หงแห่งงโมหะท่านก็ไม่ต่างอะไรจากเราเพราะท่านตั้งไว้เพื่อกำจัดราคะโทสะโหมหะหรือตั้งไว้เพื่อให้มีราคะโทสะและโหมหะเนี่ ian, นยนะเพราะความที่ตั้งไว้เพื่อกาจัดราคะโทสะและโหมหะนั้นกุศลจิตมันจึงเกิดได้บ่อยเกิดได้ เยอะมากเลยนะพันสำหรับพูดถึงว่าคารวาที่จะทําบุญกับนักบวชทั้งหลายก็เห็นว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยตั้งอยู่ในคุณธรรมตั้งอยู่ในกุศลธรรมเนี่ยนะอย่างที่เทวดาเนี่ยนะเทวดากล่าวกับพระสิท ธ, ธะตอนที่เห็นเทวทูตเนี่ยนะตอนที่เทวทูตนะเทวทูตที่ไปเห็นนักบวชมยียกข้อหนึ่งนะว่าอันนี้เรียกว่าใครทําไมผมทรงผมไม่เหมือนคนอื่น ก็แปลว่าศีรษะโลนโกลผมเลยนะสองเครื่องนุ่งห่มของท่านก็ไม่เหมือนคนอื่นทำไมท่านใช้ภาชนะไม่เหมือนคนอื่นคันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนายฉันนาเขบอกว่านี้เรียกว่าบรรประชิตพระเจ้าขา่หรือบรนประชิตหรือบรนประชิตนี่หมายความว่าอย่างไรบรรประชิตก็หมายความว่าผู้ที่เห็นว่าการประพฤติสงบเป็นความดีการประพฤติเป็นกุศลเป็นความดี การประพฤต <ide> ิชอบเป็นความดีการประพฤติเป็นบุญเป็นความดีการประพฤติขัดเกลาเป็นความดีนะโอ้นี่เรียกว่าบรนประชิตเนี่ยโอ้ดีจริงๆอ่ะนะแม้เราก็พึงเป็นเช่นนี้บ้างนะก็เห็นว่าโอ้เนื่องจากว่าบรนประชิตเนี่ยท่านอยู่ในความปฏิบัติที่เพื่อกําจัดกายทุจริตปฏิบัติเพื่อกําจัดวจีทุจริตปฏิบัติเพื่อกําจัดมโนทุจริตปฏิบัติเจริญกายสุจริตวจีสุจริตแล มโนสูตรจริญท่านประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจอาความที่ท่านประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจนั่นแหละเรียกว่าสุปฏิปันโนท่านปฏิบัติสูจริญกายวาจาใจของท่านเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเรียกว่าอุชูปฏิปันโนเนี่ย น, นะแล้วท่านไม่มีความคดอยู่ในสูตรจริญธรรมเหล่านั้นเลยท่านปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่ออริยมรรคปฏิบัติคู่ควรแก่อริยมรรคพันธคุณธรรมของท่านที่มีอยู่นั้นจึงควรแก่การกลับ การไหว้ไอ้คุณธรรมที่ปฏิบัติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยเกิดบ่อยมากประดุดเคลื่อนในมหาสมุทรบรรพชิตเนี่ยมองเห็นอะไรเนี่ยถ้าเรียนวินัยมาดีเนี่ยถ้ามองแล้วไม่เป็นศีลเลยเนี่ยเขามาแปลกใจมากว่าเรียนวินัยมาอย่างไงเห็นอะไรต้องเป็นนั้นเป็นศีลหมดเลยแม้กระทั่งมองเห็นคารวาสเดินมาหนึ่งคนในศีลเราอยู่ในนั้นเท่าไหร่ นะนะปราชิกได้ไหมสังขติเสธได้ไหมอันนี้ปฏิจจีได้ไหมปฏิเทศนิยะได้ไหมทุกกฎได้ไหมทุกภาษตได้ไหมมองเห็นปั๊บรู้เลยนะนะรู้เลยว่าตัวเองจะเสียศีลหรือจะมีศินนะบุคคลเนี่ยใกล้ต่อทุกสินหรือขาดศินเป็นต้นถ้าเรียนวินัยมาดีเขาเข้าใจายอยู่แล้วเนี่ยนะปั้นกุศ ล, ลจิตเนี่ยจึงเกิดมากกุศลศีนก็เกิดบ่อยกุศลที่เป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาก็เกิดบ่อยและขณะเดียวกันเนี่ยบัรญชิตฟังทำได้ บ่อยตรึกถ้าทำได้บ่อยพันอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าดีสามารถที่จะฟังทำได้บ่อยกุศลและจิตก็เกิด เกิดมากเนยนะเพราะท่านสามารถฟังทำก็ได้ข้อที่หนึ่งสองท่านสามารถแสดงทำก็ได้ข้อที่2ข้อที่สท่านสาธยายทำก็ได้ข้อที่สท่านตรึกพระธรรมก็ได้ข้อที่หท่านเจริญสมถะหรือวิปัสสนาเหล่าไหนเหล่าไหนก็ได้กุศลจิตท่านเกิดบ่อยประดุดคลื่นท่านจึงมีคุณมากมายประดุดคลื่นนับไม่นับไม่ถ้วนประดุดคลื่นอ่ะนะเหมือนคลื่นในทะเลเยอะฉันใดกุศลธรรมของท่านมากขนาดนั้นฉันนั้นพันบัประชิตนี้จึง ประว่าเป็นที่ตั้งแห่งกุศลเนี่ยนะเมื่อให้คุณวุญชูนี่เห็นด้วยเลยวนะแต่ว่าไม่สําเร็จหรอกยากเหมือนกันเลยแล้วผู้จัดการส่วนตัวแม่อนุ ญ, ญาตเหมือนกันขอถวายพระพรกิจที่ควรทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะกิจทั้งหมดนั้นย่อมสําเร็จได้โดยพลันทีเดียวแก่ผู้ที่เป็นบรระชิต อนนะักิจในการกําหนดรู้ทุกกิจในการละสมุ ท, ทยัยกิจในการทํานิโรธให้แจ้งกิจคือการเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกิจในการเจริญอธิศินกิจในการเจริญอธิ จ, จิตกิจในการเจริญอธิปัญญากิจในการประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยบรนปรชิตทําง่ายไหมบอกง่ายําเร็จได้ไม่ยากสําหรับผู้ที่เป็นบนรรปชิตเนี่ยง่าย ในสมัยนี้ขการบวชทําได้ยากนักเหนึ่งกันนะกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกแต่ว่าถ้าถ้าบวชแล้วประพึ่งปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของนักมวชนั้นกุศซลธรรมเกิดได้เยอะแล้วก็เกิดได้บ่อยจริงๆอ่ะ น, นะนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ขณะเดียวกันบอกว่ากุโซลธรรมดังที่กล่าวไปแล้วกิจ ด, ดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเกิดได้ยากสําหรับผู้ที่เป็นเครหัสัานานกิจในการเพ่งอริยศาสตร์เนี่ยยากงหมนันนะ สมุทิาพระพิสูเนี่ยเห็นใครปั๊บเนี่ยท่องเลยนะนี้แม้เขาเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พราดพลาดจากกันก็เป็นทุกข์นะปรารถนาสิ่งใดก็ไม่สมหวังเป็นทุกข์รูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นทุกข์ตาเป็นทุกข์หูเป็นทุกข์จมูกเป็นทุกข์ลิ้นกายใจเป็นทุกข์หมดพระพูดอย่างนี้น่าเกลียดัหมไม่เกลียดดีทเกลีูด่แตจริงอ้าาพูดบ้งอา เฮ้ยมาไงเนี่ยนะหลวงพ่อมาจากไหนท่านมหาเนี่ยนะเปลี่ยนเลื่อนตําแหน่งกันดีเลยนะมหาแบบถากทางแล้วก็เน็บแนมมันก็งัมก็เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะนกิจเราใดแม้ก็ทั่งกิจที่จะพูดธรรมะก็ น, นับว่า ง, ง่ายกิจในการอื่นอ่ะนะนะกิจในพระาศาสนานั้นอะ่ะบรนประชิตทําได้ง่ายเนี่ยนันะมันคารวะไร้ล้าอย่างทํำยากพมันพูดได้เท่ากันฉลาดเท่ากันเนี่ยนะสำหรับพูดแล้วคนฟังเนะี่ยระหว่างบันประชิตกับคารวะ ใครจะฟังใครมากกว่ากันนะนะคือกิจในการแม้กระทั่งพูดธรรมะให้คนอื่นเนี่ยนะพูดแล้วสมมติว่พระบอกอะไรไปกับคารวะบอกเหมือนกันประโยคเดียวกันเ๊ะเลยนะั่นนะเขาเลือกแต่ฟังใครเลือกจะเชื่อใครพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยคนะารวาะหลายคนที่พอพูดธรรมะเป็นหรือเข้าใจธรรมะบ้างเนี่ยรู้ว่าถ้าบรนประชิตแนะนําแล้วเขาเชื่อกว่าเยอะถ้าเทียบกับคารวะแนะนําเนี่ยยางกันทางนั้นเยอะมา ก, ก น, นะ เว้นไว้แต่คนที่แบบมีมีมีอะไรนะพิเศษในตัวหลายๆอย่างที่เป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่แล้วนะเว้นไว้แต่คนกลุ่มนั้นแต่ถ้าคนนั้นเป็นบนรรพชิตอีกจะมีคนขึ้นอีกเป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่าเนี่ยถ้าบุคคล น, นั้นนะถ้าอยู่ในฐานะนักบวชนะจะมีคนขึ้นอีกเยอะมากถ้าความสา ม, มารถแบบนั้นจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะเพศของบรรพชิตเนี่ยเป็นเพศที่ เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพและยำเกรงเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาทั้งหลายเพราะงดีเราใดที่ท่านปรารถนาจะทําก็จะทํากิจเหล่านั้นสําเร็จได้ไม่ยากมาคิดดูว่าถ้าพระอยากจะบอกบุญสร้างสราข้างถนนสักหลังหนึ่งกับคารวะไปชวนทํำสลาข้างถนนสักหลังนึ่งเนี่ใครจะบอกง่ายกันเอาชวนกันตั๊ดเดียวเนี่ยบางอย่างเนี่ยพระบางองค์พูดคําเดียวกั น, นมันสร้างเสร็จแล้วนะแต่คาระวะบางทีเนี่ยโอ้ยเปล่าประกาศร้องบอกบุญอยู่สามตียังไม่ไปถึงไหนเลยบางที มันยากเยอะเนี่ยน ะ, ะเหตุผลต่อไปอีกบอกว่าเพราะเหตุไรหรือขอถวายพระพรเพราะบรรประชิดเนี่ยโดยพื้นฐานท่านเป็นผู้มักน้อยมักน้อยในปัจจัย4ก็คืออย่างคนที่สะสมปัจจัย4เนี่ยนะคนที่สะสมปัจจัย่เนี่ยเขาก็คือเขาเรียกว่าอัตกถาท่านใช้คำค่อนข้างเจ็บปวดนะฟังแล้วเจ็บเมื่อไหร่ฟังได้ยินเมื่อไหร่ก็เจ็บก็บอกว่าเครือหาบดีหัวโลนก็ว่ า, ากัน ฟันเขาบอกว่าถ้าท่านสะสมเมื่อไหรท่านก็เป็นเครืห บ, บดีสีสระโลนอย่างน้นคือดูไม่ดีฟังเลยแ ม, ม้นันก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะคือถ้าคารวะถ้าพระใช้ชีวิตแบบตอนๆดูแบบลูขับเนี่ยนะว่าอยู่ด้วยความเศร้ามองหน่อยและคารวะแต่งตัวภูมิฐานใช้ข้าวของแบบอย่างภูมิฐานมันดูดีนะแต่ถ้าเป็นพระได้ไหมแบบคารวะซ้อมซ้อกันหมดเลยนะพระอยู่วังอย่างนั้นดูยังไงมันก็ดูไม่งามเหมือนันนะ ถ้าพระเนี่ยนอนโคลนไม้คารวะนอนโรงแรมมันก็ยังดูดีเห่าอนกั น, นแต่ถ้าคารวะไปอยู่โคนไม้กลางเต็นท์อยู่พระนอนโรงแรมโอ้มันก็ดูไม่ดีนะเมื่อไหรมันก็ดูไม่ดีคิดยังไงมันก็ดูไม่ดีเพราะคารวะพระนักบวชทั้งหลายเนี่ยโดยรวมๆก็คือเป็นผู้ที่มักน้อยเนี่ยนะมักน้อยก็คือไม่สะสมในปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะไม่สะสมในปัจจัยทั้งหลายเป็นผู้ที่สันโดษหมายคำว่าท่านพอเป็นหมายคำว่าพอเป็น คือท่านพอเพียงในเรื่องของปัจจัยสี่ท่านพอเพียงในเรื่องของปัจจัยส่เพราะอะไรเพราะจะได้เอาเวลาไปเจริญสิกขาสามแค่นี้ก็พอแลว้ว น, นะเรื่องเครื่องนุ่งห่มเท่านี้ถือว่าพอแลว้วอาหารเท่านี้ก็พอแลว้วที่อยู่เท่านี้ก็พอแลว้วยาแค่นี้ก็ยังอัตภาพให้เป็นไปได้แลว้วถามว่าเอ้าเมื่อไม่ขวนขวายแสวงหาปัจจัยเหล่านี้แล้วเวลาชีวิตที่เหลือเอาไปทาอะไรก็เอาไปเจริญสิกขาสาม เอาไปเจริญอธิสีนาธิจิตอธิปัญญาเอาไปกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเอาไปเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะท่นบานประชิตนั้นจึงเป็นผู้ที่สันโดษและก็วิเวกเวกก็คือกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกไม่คลุกคลีด้วยการเห็นด้วยการพูดคุยเป็นต้นกับเครือขัดทั้งหลายเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อเข้าถึงกุศลธรรมที่ยัง ไม่เข้าถึงเนี่ยนะเพื่อละอกุศลที่ยังไม่ละเพื่อล ะ, อะเพื่อป้องกันระวังไม่ให้อกุศลที่ละแล้วเนี่ยเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วก็เพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรพอกพูนคุณธรรมทั้งหลายให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้เรื่องที่อยู่อาศัยท่านไม่มีประจําไม่มีที่อยู่เป็นของตัวเองไม่มีบ้านานะหมายความว่าไม่มีข้อผูกพันธะแล้วก็กังวล ไปที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นคุณสมบัติของบรรพชิตจริงๆมันจะไม่ห่วงที่อยู่มันก็เหมือนกับว่านกบินออกจากรังแล้วแทบไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ไะคิดหาต่อไปข้างหน้าก็เหมือนกับพวกนกทั้งหลายที่บินออกจากรังอัตถาท่านใช้คำว่าสกุลวัตด จริงมาจากพุทธพจน์เนี่ยนะเหมือนอย่างว่านกทั้งหลายบินไปณนะที่สาภาคใดก็ไปได้นะไม่เคยว่านกเนี่ยชักชวนกันหอบรังไปเลยมันไม่มีก็ชั้นใดก็ดีบรรพชิตทั้งหลายก็เป็นอย่างเช่นนั้นเรียกว่าสกุลวัดเนี่ยนะแต่ตอนนี้ต้องใช้อะไรรถบรรทุกมาบรรทุกกินก็พอเหมืนกันนะนะอยากม า, มาพูดอย่างนี้ไอายอายเนะขนเปนทุกไปเยอะๆเลยนะแค่บ้าย้ายแต่ตอนก่อนนะ่ยย้ายที่เคยเม็ดหน่โอ้ยไอายอายนะนะ พูดถึงอะไสกุลนวัตอะไรใช้สิบล้อบรรทุกเหนกัแพทย์10ิบล้อบรรทุกแต่พอดีค่อย่างชั่วไหนคนก็ะต่ายบิดกเลยนะเลยไม่รู้สึกว่หนักใจมากนะไปคนอย่างอื่นเข้านี่ไหมอยากจะไม่รู้จะมุดอะไรดีมุดตีนก็ได้จะเป็นไส้เดือนเส้นยิ่งเกือก็เดือดร้อนหนงมันไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่มีบ้านแต่ที่สําคัญคื อ, อปันประชิตทั้งหลายผู้ที่เป็นนักบวช ท, ทั้งหลายมีศีลบริบูรณ์เนี่ยนะมีศีลแต่เรียกว่า ศีลทางกายบริบูรณ์ศีลทางวาจาบริบูรณ์ศีลทางอาชีพนั้นบริบูรณ์มีความประพฤติขูดกลา่าวตอกิเลสหมายคําว่าท่านจะไม่พยายามใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเศร้าหมองคําว่าขูดกลาวกิเลสนี้ก็คือขัดความเศร้าหมองชีวิตของท่านจะไม่อาเกียนไปอยู่ด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายดังั้นคนที่จะใช้ชีวิตที่ไม่เกลือกกลั้วอาเกียนไปด้วยบา ป, ปรกรรมทั้งหลาย ต้องใช้ชีวิตยอย่างไรเช่นธูดดงเป็นต้นเนี่ยก็เป็นการประพฤติเพื่อขูดเพื่อขจัดเพื่อขัดเพื่อกลาวา น, นะเพื่อที่จะเห็นพิษภัยในมหาพูดทั้งหลายเนี่ยนะเห็นตัเห็นภัยของอรูปเสียงเกลิ่นรถซึ่งเป็นเช่นกับมหาพูดและบรรประชิตนั้นเป็นผู้ที่ฉลาดในข้อปฏิบัติ ในข้อปฏิบัติทั้งหลายเช่นปฏิปทาเนี่ยนะนาลกาปฏิปทาสุญญตาปฏิปทาเป็นต้นหรือปฏิปทาที่เป็นศีลวิสุธิจิตวิสุธิกังขาทิธิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิหรืออ่านะข้อปฏิบัติที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฐิเป็นต้นซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้ที่เป็นองค์คุณเครื่องกําจัดราคะโทสะและ โมหะกำจัดความมนมองกำจัดความเศร้ามองเพราะฉะนั้นกิจที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่กิจทั้งหมดนั้นสำเร็จได้พลันทีเดียวแก่ผู้ที่เป็นบนรรปะชิตเนี่ยนะและที่สำคัญก็บอกว่ากิจทั้งหมดนั้นโดยเฉพาะในอัตกถาท่านบอกว่าชื่อว่ากิจหน้า 22, ยี่สิบสองย่อหน้าล่าง กิจมีการสมาทานสิกขาบทเป็นต้นศิกสมาทานศีลนะสมาทานอาธิศีลสมาทานที่จะประพฤติอธิจิตสมาทานที่จะประพฤติอาธิปัญญาหรือกิจในการกําหนดรอบรู้กองทุกขเรียกว่าปริญญาในกองทุกกิจคือการละสมุ ท, ทยัยกิจคือการทํานิโรธให้แจ้งกิจคือการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปกิจเหล่านี้เนี่ยนะเป็นกิจที่บรรปะชิตสามารถทําได้อย่างเร็วพลัน เมื่อกิจทั้งดังกล่าวกิจในการกําหนดรู้ทุกล่าสมุทัยทำนิโรจให้แจ้งกิจคือการเจริญอริยมรรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจที่สา ม, มารถที่จะปฏิบัติเพื่ออริยมรรคได้สา ม, มารถที่จะเจริญโสดาปติมัสกธ า, าคามิมักอนาคามิมักจนตลอดถึงอรหัตมรรคได้ขอถวายพระพรมหาปีตเปรียบเหมือนว่าลูกศรที่ปราศจากปมลูกศรที่ขัดเรียบร้อยดีตรงไม่มีสนิม นายขมังธนูยิงไปก็สามารถยิงไปได้ด้วยดีฉันใดขอถวายพระพรกิจที่พึงทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่กิจนั้นทั้งหมดย่อมสำเร็จได้โดยพลันทีเดียวแก่ผู้ที่เป็นบรรประชีตหาสำเร็จโดยพลันแก่ผู้ที่เป็นครืหัดไม้ฉะนั้นเหมือนกันแล สรุปทบทวนนั่นะในการเรียนรู้อริยสัจเนี่ยนะอริยสัจนั้นก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าแหมพระเนี่ยไม่รู้จักทุกข์หรอกเขบาบองั้นนะอา้าวเขาบอกว่ามันต้องทุกข์ก่อนใช่ไหมจึงจะเห็นทุกข์เหมือนกันไอคําว่าทุกข์มันปริญยยาเกตมันไม่ใช่พาเวไม่ต้องไปเสพไปเจริญไปไปทําให้มันเป็นทุกข์ก่อนจึงจะรู้จักทุกข์นนะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคําว่าทุกข์ที่เรกิจในการกําหนดรอบรู้ทุกข์เนี่ยนะคารว่ากับพระพิสุในใครเห็นทุกข์กว่ากันเอางี้เลยว่า คนที่ไม่ป่วยกับคนป่วยใครรู้สึกว่าความเจ็บปวดเนี่ยนะมันแรงกว่ากันคนป่วยกับคนกลัวป่วยอ่าคนไม่ป่วยใครกลัวความป่วยมากกว่วากันเชื่อไหมคนไม่ป่วยเนี่ยนะกลัวป่วยที่สุดเอาคนจนกับคนไม่จนเนี่ยใครกลัวจนกว่ากัน น, น, นะ เอาคนที่เคยทุกข์อยู่แล้วใครกับคนที่ไม่เคยทุกข์ใครกลัวทุกข์กว่ากันเอาว่าจริงๆแล้วคนไม่เคยนี่มันกลัวมากกว่ากันนะเยอะนะนะ่เอาคนแขนขาดกับคนแขนไม่ขาดใครกลัวแขนขาดกันเนะี่ย <posters> นะก็พอเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเขาไม่เห็นว่าเขาบนว่าเขาทุกข์อะไรมากมามขนาดไหนเขาเดือดร้อนเขาลําบากเขาอะไรขนาดไหนนะแต่ว่ารวมๆแล้วฉันใดนี่ก็เหมือนกัน เขบอกว่าผู้ที่ที่เป็นนักบวชจริงๆเนี่ยถ้าโดยเนี่ยเพราันการบวชแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนะคําว่าทุกข์ไม่ใช่พาเวแต่ประทับไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปสัมผัส ด, ด้วยตัวเองใช่ไหมทุกข์นี่ต้องไปสัมผัส ด, ด้วยตัวเองไหมไม่นี่นะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจนะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจเอางี้ดีกว่านางยงก็ถามว่าท่านท่านไอคนที่มันทํางานเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างนะ้ำมันน่าจะเห็นอริยสัจง่ายกว่า เช่นเห็นทุกข์ขั์ง่ายกว่ายมว่าไหมแล้วถามว่าโยมที่นั่งเรียนเนี่ยนะเป็นพวกอาบเหงื่อตังน้ำทํามาหาเลี้ยงชีพไหมไม่ทํางานห้องแอร์ซะส่วนใหญ่แต่ว่ามาเรียนเรื่องกําหนดรู้ทุกเออแต่พวกคนอแบบอะไรแบบดือร้อนสุดๆลําบากนะอ๊ยพูดให้ฟังยังไม่ฟังเลยเอ๋อมาเถอะเดี๋ยวจะสอนวิธีแก้ทุกให้นี้กําหนดรู้ทุกอย่างเงี้ยนะละสมุไทยอย่างง่ายยา ก, ยากเอางี้นะว่าคนเดียวกันนะเอางี้เอาผนะู้การเนี่ะ ตอนที่สุขภาพแข็งแรงปิ๊งอย่างเงี้ยกับตอนปวดหัวนี่ตอนไหนอยากฟังอริยศาสากันหร <c oughs> ออ้าวมันน่าจะเจ็บปวดใช่หมมันแหมมันทราบซึ้งจริงๆเลยเนี่ยนะนะนัแหละอาจารย์เก่ก็ได้ตอนที่ปวดข้อเลยนะแหมฟังทำกับตอนเนี้ยฟังเนี่ยกำเนอรู้ทุกเนี่ยอันไหนอันไหนดีกันเข้าใจง่ายกันตอนไหน น, นั่นแหละท่านทุกขสัจจะไม่ใช่ว่าต้องเสวยก่อนแล้วจึงจะ เราต้องตกนรกก่อนใช่ไหมเราจึงจะมอมทุกข์จริงๆแล้วเชื่อแล้วนรกเป็นทุกข์เนี่ยนะไม่เราในนั้นมันมันมันมัวแต่ทุกข์เลยลืมกําหนดรู้ทุกข์แม้ถามว่าเดรชาญกลัวความเป็นเดรชาญหรือมนุษย์กันแน่ที่กลัวความเป็นเดรชาญมนุษย์กลัวความเป็นเดรชาญก็แปลว่าปลาเนี่ยมันมันไม่ได้มีความว่ามันกลัวเลยนะแต่มนุษย์กลัวที่จะต้องไปเป็นปลาเพราะทุกขสัตว์จะจึงเป็นปริญญาญาติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไป สัมผัสและเสวยเองก่อนจึงจะรู้เนี่ยน ะ, ะหลายอย่างยอย่างพระพุทธเจ้าเตอนเป็นพระโพธิสัตว์ยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพระโพธิสัตวนะ์ชาติสุดท้ายโดยเฉพานะที่ท่านออกบวชและท่านคิดเรื่องอริยสัจได้เหตุผลหลักเลยหนึ่งท่านเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเลยท่านไ ม, ไม่ต้องมาห่วงวะนะถึงเวลาอาหารก็มาเองถึงเวลาก็อาหารมาเองหนึ่งสองเรื่องดูแลเรื่องอุปทากเรื่องคนบำรุงเนี่ยคนบำรุงดูแลหมื่นกับคน เดี๋ยนะพนักงานเขา้ากะออกกะในี่ยาเรียกว่านางฟ้อนนางรําอะไรทั้งหลายที่แบ่งแบ่งแบ่งแผนแกเนี่ยนะก็สรุปแล้วทั้งวังอ่ะมีอยู่หมื่นกว่าคนแบ่งกะกันเข้าเป็นกลุ่มคือคือหมายว่าอ่าอเป็นพวกยามก็กลุ่มหนึ่งพวกทําความสะอาดก็กลุ่มหนึ่งพวกดูแลต้นไม้ก็กลุ่มหนึ่งพวกเขาก็แบ่งเป็นพวกพวกพวกไปนะ่ยแต่ว่าเขา้ากะเปลี่ยนเวร24ชั่วโมงเนี่ยหมื่นกว่าคนดูแลท่านคนเดียวเนี่ยนะ นะแต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่หมายคำว่าภรรยาท่านนะไม่ได้แปลว่าภรรยาภรรยาท่านมีคนเดียวแต่คือคือคนที่มาคอยดูแลท่านอะ่ะมีเยอะขนาดนะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะพอท่านเห็นคนแก่แล้วท่านสะดุ้งเลยแต่คนที่แก่เองเนะี่ยรู้สึกสะดุง้งกลัวจากความแก่จริงๆไหมอ๋อความจริงเอานะเหม่อโทจริงๆวัตตนีิเกลียดชิงทําแก่อะไรเงี้ยนะจะต้องบรรลุให้ได้เี่ยนะ ต้องเร่งเนี่ยนะมันมันแก่ขนาดนี้มันเจ็บปวดขนาดนี้มันมันลุ้ให้ได้มันมันลุอยู่ไม่ได้นะเชื่อไหมเขาบอกว่าตอนที่ภาคเพียรในการเจริญกิจในอริยศาสตร์ตอนหนุ่มหรือตอนแกเดียวกันเอาะแล้วก็ตอนหนุ่มเอ้าความแก่ก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เหรอน่าจะแก่ก่อนแล้ค่อยเห็นทุกข์อันนั้นตอนนั้นมันมันแก่ก็จริงแต่มันบวกอันอื่นๆหลายอย่างไงบวกอันซ้ำเมื่อบบวกหลายอย่างมันก็เลยยากมากเลยนะก็เลยอู้เลเลือนๆเลยนะ เ ก, กีไปเยี่ยมโยงเราจ้ำอะไรก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ก็ถือว่าแต่ก็ก็ถือเป็นคนไม่สบายที่สติสัมปชัญญะค่อนข้างดีนะยังยิ้มแย้มยิ้ใไซยังหัวเราะร่าเริงะมันะเมื่อกี้ ก, ก็บอกคุยกันมาเอางี้แล้วกันถ้าคิดถึงก็อบอกว่าไมมันปวดนะครับอาจารย์เขาบอกันเอามันก็ปวดอสิเสร็จแล้วก็บอกว่าเอางี้และกันคุณคิดถึงปวดก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอันไหนจะได้บุญอันไหนนักคิดถึงกันก่ยนะบอกคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บุญกว่า เออคิดถึงพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเขบอกว่าแม้ตอนนี้เนี่ยมันจะมันจะดูท่าแล้วน่าจะไม่รอดอะไรก็พูดแบบนี้นะแต่ไม่ได้แปลว่าตอนนี้นะแต่ต่อไปสรุปว่ายังไงก็ตายบทสรุปนะมันนะมันท้าสุดท้ายว่าจะตายอีก10ปีมันก็ตายอยู่ดีตายวันนี้หรือตายอีก10ปีข้างหน้ามันก็คือความตายอันเดียวกันน่าจะไม่รอดมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ตายเป็นธรรมดาบอกใช่ตายเป็นธรรมดา ที่นี้ว่าปัญหาว่าถ้าบ้านถูกไฟไหม้ก็บ้านมันถูกไหม้ธรรมดาใช่ไหมก็นั่งรอให้มันไหม้ไปเขาคิดยังไงว่าถ้าคนที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะคนที่ถูกไฟไหม้บ้านเนี่ยก็จะทํำยังไงกันเขาก็มีอันหนึ่งก็คือขนย้ายทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อออกใช่ไหมย้ายทรัพย์หนีแค่นั้นแหละบอกแล้วคุณหมอเตรียมย้ายอะไรบ้างมีอะไรเตรียมย้ายบ้างบอ่างนี้แล้วกันนะโมตสะภควะตัวระหะตัวเกะพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยศรัทธาตัวเนี่ยย้ายไปดี ก็เลยคุยเรื่องสารณะเรื่องศีลสบาทานบา่อยๆนะหมอต้องแบบอะไรนะนะสารณะศีลอิติพิโสเนี่ยต้องวันละเท่าอายุเดี๋ยวจะโทรมาทวงนะต้องเท่าอายุมยังบวกก็ดีคูณก็ได้แต่ว่าห้ามลบถ้าลบก็อย่าอย่าอะไรนะถ้าลบก็อย่าถ้าหารก็อย่าหารสองแล้วกอย่ากเกินสองเลยถ้าจะหารอ่ะนะเพราะนันะนะอิติิโสมันเยอะๆหน่อยก็แล้วกันะนะพราะไม่อย่างงานเนี่ยพบใหม่มันคืออะไรกันเนี่ย ไม่ชํานาญจริงๆเลยนะคือคือคนที่ถูกชรามรณะครอบงําคือคนที่ถูกไฟไหม้เมื่อถูกไฟไหม้เนี่ยถ้าปรินิพานมันก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมถ้าสิ้นเยื่อใยตัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเสร็จสิ้นแล้วด้วยอริยมรรดับอรหัตมรรคในขันหา้าถ้าตัดฉั้นธราคะได้ขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ทีนี้ปัญหามันว่ามรรคก็ไม่มีแต่ชรามันก็ครอบงําเกือบจะตายอยู่แล้วอย่างนี้นนะ ถ้าเราทำงานดีขนาดนี้เราจะไปยังไงเอาถามว่าเอาอย่างที่เมื่อคืนถามว่าถ้าไม่ใจแหมมีแต่ความเจ็บปวดเป็นอารมณ์แล้วตายยังว่าเกิดที่ไหนดีมีความทุกข์เป็นอารมณ์อ่ะจิตที่มีความทุกข์เป็นอารมณ์โดยมากเป็นโทสะมูลจิตเวทนาเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกบอกจิตเช่นว่าถ้าเรากําลังรู้สึกว่าทุกข์โดยมากขนาดนั้นเป็นโทสะ ถ้าขนาดใดที่เราคิดว่าสบายก็มีอยู่สองอย่างด้วยโลภะก็ด้วยกุศลนะถ้าเฉยๆก็กุศลบ้างอาจจะอกุศลบ้างแต่ว่าแต่ถ้าคิดถึงความทุกข์ความเจ็บปวดโดยมากเป็นอกุศลถ้าคนที่ไม่เคยฝึกมาดีเนี่ยนะไม่รอบรู้ทั้งวัตถุของความเจ็บปวดอารมณ์ของความเจ็บปวดปัดจจัยของความเจ็บปวดเป็นต้นเนี่ยถ้าไม่รอบรู้สิ่งเหล่านั้นไม่ใคร่ครวญเนี่ย ไม่รอบครอบจริงๆเลยเนี่ยนะไม่รู้วิธีการกําหนดรู้อุปาทานขันห้าเป็นต้นเนี่ยมันจะจมอยู่แต่กับความเจ็บปวดแล้วก็โทษเวรโทษกรรมโทษอินโทษพรหมโทษสารพัดโท ษ, โทษแล้วทาไมมันต้องเป็นฉันทําไมมันเจ็บปวดขนาดนี้ทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นแต่อย่างนั้นแหะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนมีปัญญาเนี่ยเข้าเข้าไปใคร่ยความรอให้มันปวดก่อนพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์หรือว่าให้เห็นทุกข์ก่อนที่มันจะปวดอะไงดี ก็ทีฉันก็ต้องเห็นก่อนเนี่ยนะเห็นก่อนที่จะเจ็บปวดอย่างความตายเนี่ยนะถ้าจะกําหนดรู้ทุกเนี่ยนะหมายว่าแม้ฉันจะเทมทําปริญญาในอริยศาสตร์ข้อความตายก็เป็นทุกขอตายก่อนแล้วค่อยเรียนเรื่องกําหนดรู้ทุกเนี่ยนะแม้อะไรจะเกิดขึ้นแม้ทุกในนรกมาขอไปสัมผัสด้วยตัวเองเนะี่ยจึงจะทราบซึ้งในเปรีอสุรกายเดรฉ า, านมันทุกขาริยศาสตร์เป็นปริญญากิจไม่ใช่ต้องไป สัมผัสรับรู้ด้วยด้วยด้ว ย, วยประสาทสัมผัสอย่าลืมว่าการเจริญสมถะวิปัสสนาไม่ได้เจริญด้วยประสาทสัมผัสเนี่ยนะไม่ได้ประสาทสัมผัสมันการกําหนดรับรู้กองทุกนั้นเป็นเรื่องของการเข้าไปใครโครนเนี่ยนะอย่างคนที่กําลังต่อยกันกับคนที่ดูคนต่อยกันเนี่ยใครรู้สึกว่าเจ็บปวดกับกันคนดูนดใช่ไหมคนดูรู้สึกเจ็บปวดสะเทือนใจมากกว่าคนที่กําลังต่อยกันจริงๆแล้วมันเป็นเนังไ ไอคนที่ต่อยกันมันไม่กลัวเจ็บเรามันจึงต่อยกันอ่ะเชื่อไอคนที่ไม่ต่อยนี่แหละมันกลัวเจ็บปวที่สุดอ่ะนะเพราะคนที่ไม่เป็นทุกข์คือคนที่กลัวทุกข์ที่สุดเอางี้เหละเทวดากลัวทุกข์อะเทวดากลัวเงือออกกับพวกเราเกลือเงือออกใครกลัวกันอ่ะเทวดากลัวกันนะเทวดากับเราเนี่ยใครกลัวการแสวงหาอาหารมากกว่ากันเทวดาเขากลัวนะเขาต้องมาเที่ยวหาอาหารแบบเราน่ะนะอ อย่างอะไรนะแบบอย่างคนที่เป็นแม่ครัวเนี่ยแบบถามว่าเอาการทําครัวนี่เป็นภาระใช่ไหมท่านมหาเศรษฐีเองเนี่ยท่านอยากทําครัวเองไหมไม่อยากทําท่านเห็นว่าเป็นภาร ะ, ะไหยบอกเห็นเป็นแล้วแม่ครัวนี่เห็นว่าเป็นภาร ะ, ะไหมอุ้ยสบายมากถนัดมากเอามาเอามาเลยเอามาเล ย, เเลยนะ่นะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสทําครัวได้อย่างหน้าชื่นตาบานเนี่ยถ้าหากว่าให้ท่านมหาเศรษฐีไปล้างถ้วยชามเดียวเนี่ยนะโอ้เรื่องใหญ่โตแน่วันนั้นนั่นนะฟ้าพาแน่ มันก็เป็นอย่างนี้แหละว่า <c oughs> ทุกนั้นจึงเป็นกิจที่ควรเข้าไปเรียนรู้และเข้าไปรอบรู้เข้าไปวิจัยและเลือกเฟ้นเข้าไปอ่าเรียกว่าใช้ปัญญาสอดส่องเนี่ยนะใช้ปัญญาเข้าไปสอดส่องวินิจฉัยกิจเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่เป็นทุกข์เลยในการกำหนดรอบรู้กองทุกจิงอยู่เนี่ยนะอย่างผู้ธรรมะให้คนป่วยกับคนไม่ป่วยฟังอันไหนแนวโน้มประสบความสเร็จสูง แล้วทรงจําพระธรรมคาสอนได้ด้วยแล้วเอาไปแนะนําคนอื่นต่อๆไปด้วยน้อยมากที่จะเห็นคนป่วยเรียนพระธรรมปิ๊งแล้วก็ลุกขึ้นแม้ละอะไรนะเข็นรถเป็นต้นไปแนะนําอีกเตียงหนึ่งเลยนะนี่อริยสัจเป็นอย่างนี้นะมันยากมาก น, นะพันสรุปว่าหลายๆอย่างเนี่ยกิจทั้งมวลเนี่ยไม่ได้รอให้มันทุกข์ก่อนแล้วค่อยทําอริยสัจเนี่ยไม่ต้องรอให้เป็นก่อนแล้วค่อยค่อยทําความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยบ้างแห่งถ้าไปอยู่ในคันก่อนแล้วค่อยกําหนดรู้ทุกข์ได้ไหม ไปเกิดในไค่ซะก่อนแล้วค่อยกำหนดรู้ทุก์ได้ไหมนะไปเกิดในเท่าใครไปอยู่ในที่เปียกที่แฉก่อนแล้วค่อยกำหนดรู้ทุกข์บกยากเพรั้นกิจในการกิจในการทำอริยสัจนั้นเป็นเรื่องของคนที่จิตเบาจิตอ่อนจิตควรแก่การงานถามว่ า, อ, าอะไรเป็นสาเหตุแห่งจิตเบาจิตอ่อนจิตควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบอกสมาธิแลวสมาธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีมีอะไรมีสุขสขุมี ปัตสัตทีปัตสัตทีมาจากปีติปีติมาจากปราโมทปราโมทมาจากศีลกุศลศีลเอาการใช้วาจาด้วยความสํารวมระวังเนี่ยนะพูดแบบเหตุผลโดยหลักการเนี่ยระหว่างพระกับคารวะใครสํารวมวาจาได้ง่ายกว่ากันพระได้ง่ายกว่าพันพระจึงไม่ค่อยเดือดร้อนกับการใช้คํา พูดเยอะก็จริงบางทีแต่พูดเป็นอัดเป็นธรรมท่านจะไม่ค่อยเดือดร้อนแหมไม่น่าพูดเลยเน่ยนะนะแต่ก็บางทีก็ถ้าเป็นการาวาร่าด้วยกันไปพูดไปทําไมเนี่ยนะนะเขาพูดอย่างนั้นทําไมอะไรเป็นต้น น, นั่งวิจารณ์คําพูดของของกันและกันอยู่นั่นแหละแล้วทัวเองต้องพูดอย่างนั้นทําไมก็กลายเป็นว่าเดือดร้อนในเรื่องการใช้คําทะเลาะเบาะแหวงกันในโดยการใช้คําก็เลยเรียกว่าเหมือนกับแหมน้องๆงับๆกันอ่ะนะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเดือดร้อนในเรื่องการใช้คำในเรื่องการใช้ชีวิตก็เป็นที่ตั้งแห่งความ เดือดร้อนการประกอบอาชีพโดยมากก็เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนอาชีพไม่รู้จะมั่นคงขนาดไหนกาไรจะดีหรือเปล่าเป็นต้นคือเล่หลายเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความลำบากใจแตะเข้าไปตรงไหนแล้วสบายใจอย่างเงี้ยเอ า, เอาคนที่มีเยอะๆก็ได้เล่าให้ฟังก็ได้แตะตรงไหนแล้วมีความสุขมากฐานะที่มีสิ่งเหล่านั้นนั้นจริงๆแล้วมากไหมบอกยากมากมัน่นหลายเรื่องเนี่ยนะมัน กิจในการกำหนดรู้ทึกเป็นกิจของคนที่มีจิตเบาจิตอ่อนจิตควรแก่การงานพระพุทธเจ้าตรัสทุกขาริยสัตว์ก็จริงแต่คนที่รู้ทุกไม่ได้เป็นทุกเลยก็มีคำถามว่าอาอพยตูปฐานญาญญาณที่ปรารวาขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวขันห้ามันน่ากลัวถามว่าคนเห็นนี้กลัวไหมผู้ที่มียา น, นี้กลัวไหมไม่กลัว ก็เหมือนกับคนที่มองเห็นเหลาแหลมแหลมที่วางเรียงกันเป็นตับเนี่ยนะถ้าใครโดดเข้าไปเนี่ยทิ่มแน่นอนเนี่ยนะคนที่มองเห็นแล้วรู้สึกเห็นความน่ากลัวแต่จริงๆแล้วกลัวสิ่งนั้นไหมจริงจริงแล้วไม่กลัวแต่เห็นว่าสิ่งนั้นน่ากลัวคนที่เจริญวิปัสสนาทั้งหลายไม่ได้กลัวจริงๆตัวเขาเองไม่ได้กลัวแต่เห็นว่าขันห้าน่ากลัวหรือเห็นขันห้าว่าเป็นโทษ แต่ใจตอนนั้นของตัวที่ไปเห็นขันห้าเป็นโทษใจตัวนั้นไม่มีโทษเห็นขันห้าหน้าเบื่อหน่ายแต่จิตของตัวเองไม่ได้เบื่อไม่ได้เบื่อด้วยโทสะจึงไม่มีประกอบโทสะแบบอึดอัดคับแคบแบบโทสะไม่ใช่แต่อนุภาพของปัญญาเห็นความน่าเบื่อหน่ายของของขันห้าและความที่จะหลุดพ้นจากขันห้าที่จะหลีกออกจากขันห้าเนี่ยมันหลีกด้วยปัญญาอนุภาพแห่งปัญญา เป็นคุณธรรมที่เกิดจากปัญญาพันกิจหลายๆอย่างการเจริญวิปัสสนาเป็นตนมันเป็นกิจของปัญญามันไม่ใช่เป็นกิจของกายะวิญญาณจากครูวิญญาณทำทัศนกิจแค่เห็นเท่านั้นแหละโสตาวิญญาณทำสวนากิจคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณทั้งหลายมันก็ทํากิจของตนของตนแต่ปัญญาเท่านั้นแหละที่ไปทํากิจในอริยสัจคุณธรรมมีโพธิปักจยธรรมเท่านั้นแหละที่ไปเจริญคุณธรรมประเภท มักษัตริ์เพราะฉะนั้นทุกทั้งหลายเป็นเป็นประเภทเรียกปัญญาที่เขาเข้าไปสอดส่องและรอบรู้ปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสมาธิเป็นต้นเป็นเหตุใกล้เพมันกิจในการเจริญศึกษาสามผู้ใดเจริญง่ายกว่ามาว่านักบวชเนี่ยนะถ้าปฏิบัติชอบทําง่ายกว่าถ้าทําถูกต้องในการตั้งอยู่บนสัมมาปฏิปทานเนี่ยนะถ้าจะกล่าวไปแล้วนักบวชนี้เจริญสัมมาปฏิปทาได้ง่ายกว่า อย่างบอกพรุ่งนี้มีฟังธรรมเนี่ยถ้าพระบอกว่าไปได้เลยเนี่ยไม่รู้ปรึกษาอะไรพรุ่งนี้ว่างฟังธรรมไหมมันก็ว่างตลอดนั่นแหละถ้าสําหรับฟังธรรมนะแต่ถ้าคารวะเนี่ยว่าพรุ่งนี้ว่างฟังธรรมได้ไหมแหมมันคิดเจอเหมือนกันนะว่างจากเรื่องอื่นหมดแล้วค่อยฟังธรรมนะแต่แต่ถ้าเป็นบันถ้าเป็นคารวาะบรประชิตเนี่ยนะบอกเอาเรื่องเอาฟังธรรมก่อนนะเสร็จฟังธรรมแล้วค่อยว่าเรื่องอื่นอันนี้ได้ ถ้าเป็นคารวะนะทำเรื่องอื่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยฟังทำมันมันต่างกันเยอะเนี่ยนะคือสรุปหลายๆเรื่องมันต่างกันเยอะพันกิจไร้ล้ า, ยล า, ยลายอย่างในการโดยเฉพาะกิจที่ปฏิบัติเพื่อบรร ล, ลุอริยมรรคคารวะทำอ่าทำยากบรรพชิตทําง่ายแต่ถ้าทําถูกต้องไม่ต่างกันะนะถ้าทําถูกต้องนะโดยว่ากุศลจิตต้องเกิดเท่ากันปัญญาต้องเหมือนกันวสดาปฏิมร์เนี่ยนะโสดาปฏิมร์ของพระพิสุกับคารวะไม่ต่างกัน มันแสดงว่าไอก้ก่นที่จะถึงโสโดาปติมมะมันต้องคิดให้เกวนกุศลเท่ากันนะแล้วคุณธรรมคือสกทาคามิมักของคาราวะกับของนักบวชไม่ต่างกันพมันคาราวะต้องเจริญกุศลให้มันได้เท่าพระจรึงจะได้เท่ากับสกทาคามิมักเนี่ยนะมันต้องเหมือนกันจึงจะได้ผลที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าศีลของพระอริยาสาวกทั้งหลายอรหัตผลของนักบวชกับของคาราวะไม่ต่างกัน อย่างท่าน อ, า อ, อ, าอะไรนะอามามคนหนึ่งสันตเตมหามาเขาก็ตั้งคําถามว่าอารหัตผลของสันตเตมหาอมามากับของพระภิกษุนั้นมันต่างกันตรงไห น, นไม่มีความต่างกันเลยในในเรื่องมรรคผล น, นะหมายว่าพระภิกษุบวชเข้ามากวาวดมาตัาง้งนาแล้วจะได้บุญมากกว่าอะไรไหมเขาวัดกันที่คุณภาพของโล ก, กุตรธรรมพมันผู้ใดจะปฏิบัติแล้วเข้าถึงโล ก, กุตรธรรมเนี่ยนะนะ ใครถ้าปฏิบัติถูกหลักการถูกต้องก็มีผลไม่แตกต่างกันอันนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นพันสันเสริญการปฏิบัติชอบเนี่ยนะสรเสริญว่าทำยังไงจะปฏิบัติแล้วคู่ควรแก่การบรรลุอริยมรรคหลักสำคัญอยู่ที่ตรงนั้นว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะคู่ควรแก่อริยมรรคนั่นเองเนี่ยนะ